ในโลกสมมุติย่อมหมายถึงการปฏิบัติใดที่ยังไม่เรียนรู้เข้าใจคำสอนแห่งการนำออกซึ่งความหมายมั่นว่าฉันก็ให้ตั้งใจในการปฏิบตัติเรื่องทานศีลและขันติพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิบัติเช่นนั้นเหมือนกันทั้งในช่วงเริ่มต้นช่วงกลางและช่วงสุดท้าย พระองค์ไม่ทรงกระทำความชั่วหรือทำความเดือดร้อนเลยทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยการปฏิบัติเช่นนั้นย่อมนำมาซึ่งเกียรติและความสุขในปัจจุบันมันจะปราศจากความกลัวทั้งในปัจจุบันและเมื่อยามกำลังจะตายในชีวิตหน้าก็จะออกผลเป็นความสุขงอกงามไพยบูร ดังนั้นควรตั้งใจปฏิบัติอยู่เสมอการปฏิบัติคือวิถีทางที่ดีที่สุดเพราะการปฏิบัตินี่เองที่โลกสันเสริญแต่จงอย่าถูกลวงหลอกโดยการสันเสริญของโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโลกจะไม่สันเสริญในวิถีทางที่ไม่ได้ปฏิบัติเนื่องด้วยโลกไม่สันเสริญ บุคคลย่อมไม่ได้รับความพึงพอใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตบุคคลผู้ขาดสติและมีจิตที่ผิดปกติที่ดำเนินไปในทางทุกขติตำช้าและมีเจตนาลวงหลอกผู้อื่นจะเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่าความหมายได้อย่างไรบุคคลผู้มีเจตนาลวงหลอกผู้อื่นจะอยู่บนวิถีทางได้อย่างไร เพราะพฤติกรรมเช่นนั้นพวกเขาจึงต้องถูกลวงหลอกอีกนับพันชาติแม้ว่าเธอกำลังสแสวงหาทางที่จะกลั่นแกล้งศัตรูเธอก็ควรแก้ไขข้อบกพร่องของเธอเองและพยายามประกอบกุศลกรรมให้มากด้วยวิธีนี้เธอจะทั้งช่วยตัวเธอเองและทำให้ศัตรูของเธอรู้สึกอึดอักขัดเคือง